เพิ่งเสียสามีจะคิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์มากบทความโดยดังตรินจัดทาโดยพีชคณิตอุทัยวัฒนาช่วยแนะนำวิธีคิดและการทำใจที่จะไม่ทำให้ทุกข์มากจากการต้องเสียสามีไปอย่างกระทันหันทุกวันนี้ยังไม่อยากเชื่อว่าเขาจากเราไปแล้วแม้พยายามคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่ยังมีบางครั้งทาใจไม่ได้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 เราจะไม่เห็นความสำคัญของเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตกระทั่งถูกริบเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตไปเราจะไม่สนใจว่าลมหายใจสั้นหรือยาวมีหรือไม่มีตราบเท่าที่เราไม่ถูกนำไปขังไว้ในที่ที่หายใจลำบากหรือไม่มีอากาศให้หายใจเลยหากเกิดข้อสังเกตตามจริงในวินาทีปัจจุบัน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 หลองอุปาทานหลองทึกทักเอาว่าทุกคนต้องตายตอนแก่ความตายจะมาในเวลาอันควรเสมอวิบากกรรมเขารู้เวลาของเขาดีและไม่ยอมให้คุณผัดพ่อนเพียงด้วยการวิงวอนเช่นคุณไม่รู้และไม่เคยเตรียมใจไว้ก่อนว่าอย่าพึ่งมาเลยะความตายสามีจากไปแล้วอย่างกระทันหัน ที่เหลือก็ต้องเตรียมใจให้เป็นกุศลเพื่อวันนี้จะเป็นวันกระทำหันของคุณเองบ้างการมีจิตเศร้าหมองไม่ช่วยให้คนตายกลับมาและไม่ได้ช่วยให้คนเป็นเตรียมตัวอย่างถูกต้องหากมาถึงความเข้าใจตรงนี้ลึกซึ้งพอความตายของใครๆแม้เราเองก็จะไม่ก่อให้เกิดความเศร้าส้อยเปล่าได้เลยครับ